ท่านฝั่งที่เคารพคะมาถึงเวลาที่ท่านทั้งหลายที่ชอบการตอบคำถามมากก็จะได้พบกับพระอาจารย์เบุญอภิปุนโนแล้วนะคะเพราะในช่วงนี้จะมีรายละเอียดของแง่มุมต่างๆที่อาจจะตรงกับใจของท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของคาถามเองก็ว่าได้เรามาพบกับพระอาจารย์เผบุตในช่วงเวลาที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะนมสักการกท่านค่ะอาจรย์พ ลืมถามท่านเลยค่ะว่าปฏิบัติธรรมเดือนแรกของปี2554ที่วัดป่าดอนหายโศกเป็นยังไงคะอากาศเย็นมะอากาศเย็นมากแล้วลำบากกับผู้ปฏิบัติไหมคะออลำบากไหมเหรอคิดว่าเขาสบายอยู่เหมือนกันคือคือลำบากในเรื่องที่ว่าเวลาตอนเช้าเช้าเนี่ยทำกิจสุนตัวเนี่ยมันเราไม่มีน้ำอุ่น อ, อ๋อค่ะก็จะแค่นั้นเองฝึกความโอดทนนะมาว่าค่ะ ฝึกความอดทนก็ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะใช่ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนสบายดีค่ะเพียงแต่ว่าได้ฝ่าฟันกับความเรื่องของน้ำฝึกความอดทนนะในพิกษจในธรรมะวนนี้เนี่ยเป็นผู้มีความอดทนคืออดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายค่ะแต่พูดในอีกมุมหนึ่งจริงจริงดิฉันอยากจะถามว่าสบายดีต้องการจะถามค่ะโดนจับฟาวไปแล้วนะคะเพราะท่านเพบูรณล ต้องการให้มีสติใช้คำว่าต้องการกับสิ่งที่เป็นบวกดีกว่าในมุมกลับกันนะคะมีคนบอกสบายมากไม่คะชอบอากาศอย่างนั้นไหมคะก็ดูเหมือนกับว่าเป็นอากาศที่ก็หาได้ยากในประเทศไทยก็ดีกว่าอากาศที่ร้อนนะบางคนก็ว่ายอย่างนั้นนะคะในครั้งถัดไปจะมีการจัดเดือนกุมภาวันไหนนะค ะ, ะกุมภาจะมีระหว่างวันที่ ห้าถึงสิบสามห้าถึงสิบสามอากาศน่าจะยังเย็นอยู่ไหมคะท่านอุดรเนี่ยค่ะอากาศนี้มันไม่แน่เพราะว่าปีนี้เย็นแล้วก็ไปอุ่นขึ้นแล้วก็มาเย็นใหม่ลงหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นๆลงๆเธอจะปฏิบัติอย่าให้ความสําคัญเรื่องของอากาศเป็นหลักดีกว่าเอาความสําคัญที่เราจะต้องให้ก็คือว่ารีบมาให้เคลียร์เขาเรียกว่าจัดกิจการงานให้เรียบร้อยแล้วก็รีบมาทําไมต้องรีบคะท่านคะ เพราะว่าความตายมันไม่แน่อ๋อนึก็วัดจะย้ายะจะปิดคอร์สอะไรเงี้ยความตายมันไม่แน่จริงค่ะแล้วก็เอก็ไม่แน่ น, นะบางทีคนสอนอาจจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอรีบไม่แน่สําหรับทุกคนใช่การพูดถึงเรื่องไม่แน่เนี่ยดิฉันเองอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อขำนะค ะ, ะแต่ในขณะขำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรขำออกเขาบอกว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินกระจุกระจีกับแฟนอือันนี้อยู่ที่เนเปลิลน่าจะเป็นเมืองอิตาลีประเทศอิตาลีแล้วก็ให้เกิดมีกระสุนปืนอย่างที่ไหนไม่รู้เข้าหัวก็เลยนะคะแต่โชคดีที่เขาไม่เสียชีวิตคือมันไปนกระทบกับอะไรก็ไม่ทราบนี่ก็เป็นตัวอย่างของความไม่แน่ใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไม่มีโอกาสซ้ําเลยที่ เป็นข่าวสะเทือนใจคนก็คือเขาบอกเด็กอายุแปดขวบเองนอนอยู่ในมุ้งด้วยซ้ำลูกหลงจากไหนไม่ทราบค่ะถูกเขาแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ไหมคะกับการที่ท่านเพีบบูลบอกว่าต้องรีบมาหาเวลามาใช่ต้องรีบด่วนยิ่งกว่าดับไฟบนผมหรือบนเพื่อเสื้อผ้าที่กาลังไม่อยู่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะดิฉันเพิ่งฟังว่าที่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวซึ่งเรากําลังทํารายการกันอยู่เนี่ยแหละจ ะ, จะมีโครงการดีๆอยู่เยอะหนึ่งในโครงการนั้นก็เป็นการเอาเด็กๆที่เป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายไปเที่ยวดูหนังบ้างอะไรบ้างอ๋อค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ในอีกส่วนหนึ่งอะค่ะเราจัดรายการธรรมะก็อยากจะขอคําแนะนําว่าเอ๊ะอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็ทราบว่า การให้ธรรมะของคนที่รู้ตัวอยู่แล้วว่าปลายทางไปทางไหนในเร็ววันเนี่ยเด็กๆ เ, เราจะมีวิธีให้อย่งไรคะมรณานุสติอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้เห็นง่ายๆที่สุดเลยคะนะก็ให้เห็นถึงความสลดสังเวช ท, ที่เกิดขึ้นว่าโยอยเราอายุยังเท่านี้นะยังยั ง, ยงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ให้ปล่อยวางคือถ้าเขาเด็กมากแล้วคะท่านเราจะไปสอนเขาเด็กคงไม่เข้าใจในเรื่อื่นนะคะเห็นการเกิดดับทําไมเด็กจะไม่เข้าใจ มันง่ายที่สุดในโลกแล้วแค่จิตมีสมาธิเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงปล่อยวางซะนะคนที่ไม่เห็นนแสดงว่าคุณไม่มีสมาธิยิ่งเด็กเนี่ยแหละยิ่งทําสมาธิได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ไหลไปตามผัสสามารถเขายังไม่มีความยึดถือในความแตกต่างอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นไปได้ให้คุณพ่อคุณแม่พยายามสอนให้เขาฝึกสมาธิอย่างนั้นเหรอคะเอาก็คนที่สามารถสอนได้คนที่สอนเป็นนะนะก็ไปสอนซะนะให้เขาทําสมาธิยิ่งเด็กเนี่ยยิ่งทําดี อย่าพูดเลยว่าเด็กจะทําไม่ได้ว่าไม่จริงนั้นเด็กที่มาฝึกสมาธิที่วัดอย่างเงี้ยเจ็ดขวบก็มีเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่จะให้เขาเนี่ยอาจจะต้องสั้นหน่อยนะแต่เวลาที่เขาเข้าสมาธิทําไมจะทําไม่ทําได้ ท, ไดท่านใบบุญฝึกเด็กเจ็ดขวบอยากจะรบกวนให้ท่านทดลองเล่าให้ฟังนิดได้ไหมคะว่าวิธีอย่างไรเผื่อเนี่ยคนที่ฟังอยู่ทางบ้านไม่มีโอกาสมาหาพระก็จะได้นําเอาไปถ่ายทอด อ, อันดับแรกเนี่ยเราต้องให้เขา มีศีนซะ ก, ก่อนนะคือเรื่องของศีนี่คือเขาจะต้องมีอยู่แล้วเพื่อความไม่ร้อนใจแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายะนะพูดแล้วรู้เรื่องนะไม่ดื้อไม่ซนอย่างงี้นะแล้วเราก็ให้เขารู้จักรู้จักที่จะเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวยองเกี่ยวดองเ engage เด็กน ะ, ะอ่า สื่อสารกับเขาให้เขาปฏิบัติตามแล้วสังเกตตรงหมายใจบางทีอาจจะยากสําหรับเขาเราก็จะใชะ้ที่คูบาจารย์บอกมาจะเป็นพุดโธอย่างนี้ก็ไดนะ้จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันไปสักนิดหนึ่งแต่ใครว่าเด็กจะบางคนส่วนใหญ่ด้วยจะทําได้นะการสังเกตตรมหมายใจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ทำไม่ค่อยได้ค่ะก็คือสอนคล้ายๆผู้ใหญ่นั่นแหละสอนเหมือนกันนั่นแหละนะค ะ, ะค่ะแะแวะมาถามตรงนี้เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ เพียงแต่ว่าต้องมีลูกเล่นมากนิดหนึ่งเท่านั้นเองได้จากความเป็นเด็กค่ะคือนอกจากพาเข้าไปพบในสิ่งที่สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อในพระพุทธศาสนาต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่คือเนื้อหาในการสอนไม่เปลี่ยนแต่วิธีการนําเสนออาจจะต้องเปลี่ยนตามอายุของคนขนาดแค่ว่าเราไปพูดกับคนละภาษาอย่างเงี้ยคุณพูดกับคนจีนคุณจะไปพูดภาษาอิตาลีเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงคุณก็ต้องพูดภาษาจีนแต่เนื้อหามันกันไหมเหมือนกัน พูดกับเด็กก็ต้องพูดภาษาเด็กอืซึ่งต้องมีลูกเล่นนิดหนึ่งแต่ว่าต้องให้ ใ, <ช>ในสิ่งเหล่านี้แหละยิ่งสําคัญะคะเลยค่ะส่วนท่านที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เข้าเว็บไซต์หลวงพ่อด็อกเตอร์ .com ก็ได้นะคะทีนี้มาถึงคําถามนะท่านคะจะคําถามของคุณที่ใช้ชื่อว่าบราบราออบอกว่าในพุททวัจนะภิกษุทั้งหลายหมายถึงใครคะ พิทุจนะเนี่ยเดี๋ยวบทนั้นพระสูตรนั้นจะต้องขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็หมายถึงภิกษุทั้งหลายนั่นแหละคือดิฉันเลยไม่แน่ใจว่าเขาเขียนมาว่าภิกษุทอเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นในหนังสือของท่านเพื่อทาตหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราพบเนี่ยก็จะภิกษุและทอจุดเนี่ยค่ะก็คือย่อมาจากภิกษุทั้งหลายถามว่าภิกษุทั้งหลายนี่คือชื่ออะไรถ้าถามอย่างนี้นะตอบได้อย่างคราวที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่า ที่พระนันสีค่ะอป่าอิสิปัตนะพูดกับปัญจวัคคีย์นะมีพระอาสัชิมีพระัระญญโยัญญะเหล่าเนี้ยก็ใช้ภิกษุทั้งหลายอ่าใช้เรียกรวมหองค์เนี่ยว่าภิกษุทั้งหลายแต่และองค์มีชื่อไหมมีมค่ะนะแต่รวมเรียกว่าภิกษุทั้งหลายพูดกับชลินสามพี่น้องก็พูดว่าภิกษุทั้งหลายอออค่ะย่างนี้แต่มีชื่อไหมมีมแล้วในกรณีที่ถ้าพูดกับผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะมีไหมคะเป็นอ่ยชื่อคนนั้นจะใช้คำว่าภิกษุนะจะใช้คำว่าภิกษุแต่ไม่มีทอจุดไม่มีทั้งหลายนะก็ใจค่ะแต่หมายถึงว่าเรียกชื่อเลยไหมคะอ๋อใช่ก็จะมีสารีบุตรโมคะลานะคือไม่ใช่ว่าพูดกับใครก็พูดเผื่อคนอื่นไปหมดเพราะที่ฉันเคยได้ยินว่าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสอะไรก็ตรัสสําหรับทุกคนเอ่อคือในกรณีอย่างสมมุติอยู่ต่อหน้ากันมีหนึ่งต่อหนึ่งนะก็จะเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเลยหรือไม่ก็ใช้คําว่าภิกษุค่ะแคนนี้ไม่มีทั้งหลาย อันนี้เป็นคําตอบของคุณบราบราที่ฉันเคยถามนะคะเคยสงสัย อ, อ่ะก็พระพุทธองค์เนี่ยตรัสภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าอาจารย์มาให้เราอ่านทําไมก็ไม่ได้ตรัสกับเราสักห น, อน่อยในมุมนี้ยังไงท<ช>่านครับก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกําหนดสมาธินี้มีทุกครั้งในการพูดพระองค์ยืนยันว่าการพูดของพระองค์เนี่ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไกลนะอย่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพูดไปให้ทุกคนหมดเพราะฉะนั้นอ ถ้าในที่นั้นเนี่ยมีภิกษุอยู่อาจจะให้พูดว่าอะไรละ่ะก็ต้องพูดภิกษุทั้งหลายถูกไหมแต่เนื้อความตรงนั้ น, น, นเนี่ยเหมาะ ก, กับทุกคนถ้าในที่นั้นมีแต่ข้าราชบดีอยู่เป็นคาราวะก็ทุกเว้าว่าข้าราชการพูดอย่างนี้ จ, จะไปบอกภิกษุทั้งหลายมันก็ไม่ได้เพราะ<ม>อยู่ในสถานที่นั้นแต่แตถ้าอยู่ร่วมกันจะต้องภิกษุทั้งหลายาเพราะว่าสถานะมันก็ไปตามลําดับที่สําคัญคือเนื้อความใช้ร่วมกันได้ถูกองถูกต้องนะ<ๆ>คะเนื้อหาไม่ใช่ว่าเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยฟัง ก็เลยเห็นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเลยไม่อ่านเลยเลือกเอาบทที่ไม่มีภิกษุทั้งหลายโอ้โหจะเสื่อมจากคุณใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เลยถือโอกาสแถมไปด้วยทีนี้มีอีกคําถามหนึ่งค่ะถึงแม้ว่าเวลาจะเหลือไม่มากแต่ที่ฉันจำได้ว่าคําถามลักษณะเนี้ยเพิ่งเคยกราบเรียนถามท่านไปคือเรื่องของการปราโมทยพระนะคะรวมไปถึงพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยคนเขียนชื่อคุณแคทแคทพี่บอกไปหลีกเล่น ที่วัดมาปฏิบัติได้สองสองวันจิตมกักฟุ้งซ่านคิดปรมาม m a หลวงพ่อและพระ อ, อื่นรวมทั้งพระพุทธเจ้าแบบพอตาเห็นก็จะคิดขึ้นมาทันทีคุมไม่ได้ใจเนะ่ยไม่ได้คิดเลยและไม่เคยคิดหรือพูดคำ pragma นี้กับใครมาก่อนเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรบ่อยมากคุมจิตอย่างไรก็คุมไม่ได้นะคะยิ่งพยายามไม่คิดยิ่งคิดหนะัก ก็จึงถามมาสี่คำถามว่าบาปหรือเปล่าบ า, บาปหนักแค่ไหนือตกนรกไหมค่ะ อ, อบาปนี่บาปแน่นอนแล้วก็ก็จะมีโทษสิบเอ็ดอย่างะนะที่ได้เคยพูดไปคือเสื่อมจากทมที่ยังที่ยังที่บรรลุแล้วหรือว่าไม่บรรลุธรรมที่ไม่บรรลุเป็นผู้ได้เข้าใจว่าบรรลุในสัตว์ธรรมอะไรต่างๆ อ, อแล้ถ้าทำมากๆทำบ่อยๆก็จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนดเทโลชันเปรตวิสัย มีได้รับถูกต้องโรคอย่างหนักอะไรต่างๆเหล่านี้มีค่ะแต่ว่ามีโอกาสตกแน่นอนมีถ้าทำบ่บอยแก้ไขหรือลดได้ด้วยวิธีใดบ้างอันนี้จะเสริม น, นิดนึงว่ามัน น, นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราเห็นได้เลยว่าเราไม่มีอำนาจเหนือจิตค่ะจิตเนี่ยมีอำนาจเหนือเราเราจะต้องฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีให้เราเนี่ยมีอำนาจเหนือจิตอย่าให้จิตมีอานาจค่ะเนฝึกจิตทำยังไงนี่ไง ต้องมาฝึกนั่งสมาธิหลีกเร้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะสามารถถ้าเป็นบาปแล้วจะแก้อย่างไรก็เลิกทําของเก่านะแต่ที่ทําไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลนะเพราะฉะนั้นผลที่กําลังจะตามมาเนี่ยให้รีบทําความดีมากๆผลที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นมันจะได้เบาหน่อยค่ ะ, ะงั้นท่านก็ตอบคำถามที่สามไปแล้วสิคะว่าควรทําอย่างไรเพื่อให้จิตคิดฟุ้งซ่านแบบนี้ต้องฝึกจิตใจนะคะ จะมีผลทําให้นั่งสมาธิและวิปัสนาไม่สําเร็จหรือไม่บรรลุธรรมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นโทษของการที่กระทําอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าเราไม่รีบแก้ไขเพราะฉะนั้นเราเห็นโทษแล้วเรารีบแก้ไขนะมันยังทันการแต่ที่ท่านพูดหมุมเนี้น่าสนใจที่สุดนะคะที่บอกว่าสแสดงให้เห็นเลยว่าคนเราเนี่ยไม่มีอํานาจเหนือจิตอืมมันมันมันคิดยากจะตริตรึกเรื่องใดก็ตริตรึกได้ไม่ต้องการตริตรึกเรื่องใดก็ไม่ต้องตริตรึกได้ทําได้ไหมล่ะ ถ้าทำได้นั่นแหละผู้มมีอำนาจเดี๋ยจิตความคิดยากบางท่านอาจจะบอกอุย้ยหมูนะค ะ, ะทําไมจะทําไม่ได้ไม่เชื่อเดี๋ยวฉันคิดว่าโจทย์ง่ายๆนะคะอย่างกับตัวเองเนี่ยจะพบเวลาที่พยายามรู้ลมหายใจเนะะี่ยอพยายามจะอยู่กับลมหายใจไม่ได้อย่างไรเลย น, นั่นแหละนี่ง่ายๆเลยหรือว่าไม่ต้องการคิดเรื่องที่ไม่ดีเดี๋ยวมันกลับมาอยู่เรื่อยเนี่ยเราเราต้องฝึกจิตไม่มีเทคนิคอื่นเลยหรอคะ เทคนิคคือในการฝึกจิตไงเข้าใจค่ะหมายถึงว่าไม่เราไม่ฝึกจิตแบบนี้ได้ไหมอ๋อการฝึกจิตมีหลายเทคนิคค่ะใช่เหมือนการจับปลาเนี่ยต้องใช้เหยื่อหลายแบบในน้ําลึกก็ใช้เหยื่อแบบหนึงน้ําตื้นก็ใช้เหยื่อแบบหนึ่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็อนามปานสตินะพูดถึงสติปัฏฐานก็มีทั้งสี่อย่างคุณใช้กายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ทำก็ได้ในเวทนาโอ้โหต้องมีทั้งสาอย่างร้อยแปดอย่างกายโอ้โหก็มีทั้งเยอะ จิตก็มีทั้งสามสี่อย่างอย่างนี้นะได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าวิธีที่มักจะพูดกันบ่อยแล้วก็ทำกันเยอะเราทราบว่าพระพุธองเองก็ได้ส่งใช้วิธีนี้ในการอยู่ในตรสรู้ค่ะก็คือการรวมหายใจาใอานาปานาสติก็ฝึกกันไปเรื่อยๆในรายการนี้เรามีฝึกตั้งแต่ตอนต้นของรายการใช่ให้ทาให้ทำะนะให้ทำให้ฝึกจะดีมากเลยค่ะส่วน เรื่องของโทษเนี่ยอยากให้ท่านพูด ช, ชัดๆอีกครั้งหนึ่งอะค่ะจะได้เร่งมือทํากันในเมื่อเราห้ามจิตไม่ได้อย่างนี้โดยเฉพาะคนที่อยากจะปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะโทษของการกเรียกว่าด่าบริพาษนะ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันหรือว่าด่าบริภาษพระรียเจ้านนะั้จะผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยจะได้รับความชิพหายสิเบเอ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโทษสิเอ็ดอย่างนีง่นก็คือ อันดับแรกนะไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ2เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว3 ส, สัมธรรมของเธอผู้นั้นย่อมไม่ผ่องแผ้ว4เป็นผู้เข้าใจว่าได้บรรลุในสัศธรรม5เป็นผู้ไม่ยินดีในการประพฤติประมาจรรมัน์6ต้องอาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งนะเบอกเลิกสีขาวเวียนมาเพื่อภาพต่ำนะแถูกต้องโรคอย่างหนัก9ย่อมถึงความเป็นบ้าหรือความฟุ้งซ่านอย่างจิตสิบเป็นผู้หลงไหลทาหํากาละสิเบเอเมื่อตายไป ย่มเข้าถึงอาบาย ท, ทุกขติมีบาทอันนี้คื อ, อการด่าบริพาตการด่าเขาการติเตียนพระพุทธเจ้าการติเตียนพระธรรมประสงค์ก็จะมีโทษอย่างนี้ทีนี้ว่าอย่างอาการที่จิตเกิดไปคิดนั่นนี่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันมองได้2อมุมคืออาจจะเป็นผลของการที่เราเคยไปติเตียนไปแล้วในการก่อนสมมติเราติเตียนไปแล้วแล้วเราแก้ไขแล้วเรานึกเรื่องดีแต่จิตคุณยังไม่นิ่งจิตคุณยังไหลไปนู่นไปนี่อยู่ไปคิดที่เรื่องที่ไม่ดีนั่นเป็นกรรมเก่าที่เกิดขึ้น นั้น uh huh. ในผัสสะที่เกิดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือทำอะไรนะรีบละสิ่งนั้นตั้งใจทำความดีใหม่แค่นั้นเองนะก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วก็รีบทำก่อนที่สิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่ไม่ดีะนี่ก็คือประเด็นแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปคิดเนี่ยโอเคเราก็รีบทำสิ่งที่ดีนะมาเสริมความคิดเราจะได้ไม่ไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ดี คือถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยจิตเราไปอยู่ในแดนไม่ดีเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนค่ะเป็นอกุศลเพื่อจะให้คุณแคทแคตตี้ที่ถามมาเนี่ยสบายใจใก็คือว่าอันนี้เป็นความรู้ที่ให้ไปเป็นความรู้ทั้งหมดในเรื่องนี้ที่ควรรู้แต่อะไรก็ตามไม่ใช่ว่าให้คุณแคตตี้ไปมีความทุกข์ต่ อ, อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท, ที่คุณแคตตี้ต้องทำนะคือฝึกจิต นะให้ปล่อยวางเรื่องนี้นะเพราะการทําสมาธิเนี่ยมันยิ่งได้บุญมากแล้วก็เราจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้ให้จิตเนี่ยมีกําลังซะอย่างนี้คุณทำและอย่างหนึ่งจิตเดี๋ยไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกิดความรู้สึกว่ายิ่งไม่อยากคิดกลับมีความคิดใช่ไหมคะให้ไปทําสิ่งที่ดีแทนอันนี้ในทุกเรื่องเลยอาการของจิตมันจะเป็นแบบนี้่ต้องไปคิดเรื่องที่ดีกว่านะคะหมดเวลาพอดีเลยค่ะคุณแคทตี้ แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกทุกท่านด้วยวก็จะต้องเก็บคำถามต่างๆเอาไว้ถามท่านพยียบุญในวันต่อๆไปนะคะวันนี้ในมส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์พบูบุญอภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกเอาไว้ในโอกาสนี้คะ่ะนมห ก, การมใชเ จ, จริบบนพร นี่ก็คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายการสันนิยมน์สนทนาดําเนินรายการโดยสันนิยน่าพงศ์ที่สถานีวิทยุ fm ฟมรอยหครอบครัวข่าวนะคะแล้วก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นสถานีวิทยุชุมชนแต่ว่ามีเครือข่ายทั้งประเทศร้อยห้าสบสสถานีค่ะถามคําถามไปที่เพียวธรรมะ .com/ หนึ่งศหรือจะโทรศัพท์มาที่ร้อยหกที่ศูนย์สองสหกเก็ได้ค่ะ และพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพุ้ทวีสวัสดีค่ะ